สุสงฆ์สา ม, มนเณรเจริญพรญาติโยมครับก็ที่หลวงพ่อถามเมื่อกี้ว่าการเป็นพระมันยากไงใช่ไหมครับก็เนื่งด้วยก็รอเป็นคนหน่มนะครับรูปรถกิ่นเสียงเนี่ยมันก็ยังแรงอยู่พูดง่ายๆคือความอยากมันเยอะเิบากกรรมมันก็ยิ่งปัญญามันก็น้อยนะครับ ทีนี้ตั้งแต่บวชเข้ามาเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะได้มาเจอหลวงพ่อเลยก็ยันจบมาก็ทํางานก็ไปเกณฑ์ทหารก็ติดก็ปลดออกมาก็คิดว่าจะบวชสักปีนึงค่อยมาบวชมาใหม่อย่างนี้นะก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อสอนเรื่องอะไรเราลาหลวงพ่อเป็นใครไม่รู้เลยทีนี้หลวงพ่อเอาเรื่องก็ไปคว้า อ, อย่างนี้แหละครับไปแต่ว่าไม่เข้าใจเลยหลวงพ่อ อธิบายภาษาบาลีมันล้ำลึกเกินมันไปไม่ถึงก็มีช่วงนั้นหลวงพ่อไปนอกพอดีก็เลยถือโอกาสไปหาอาจารย์พงครับลูกศิษย์หลวงพ่ออีกท่านหนึ่งก็ไปเข้าใจรูบนามอยู่น่นไปถึงก็เข้าค่ายเลยสิห้าวันก็เข้าค่ายู่ในป่าแต่ไปเก็บอารมณ์ก็ไปสู้ความคิดตัวเองอยู่หลายวันเหมือนกันสู้ความอยากตัวเองใครที่อยากไปทาง คิดเรื่องดีก็ไปดีแล้วก็บางทีเรื่องอดีตก็เข้ามาอย่างี้ครับทีนี้ความหนักเบาที่หลวงพ่ออธิบายมันก็เข้าใจตรงนั้นแหละมันก็จิตปรากฏว่าจิตมันมาอยู่กับเท้าที่เกิดดับเกิดดับอย่างนี้คือเป็นปัจจุบันปรากฏว่าออกมาจากเรื่องดีที่แรกไม่แน่ใจว่ามันตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมครูบาอาจารย์ก็เลยเข้าไปสอบรม บอกว่าผมก็บอกว่าจะทํายังไงเราที่จะออกจากความคิดได้ทีนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งไปคอยกับหลวงพ่ออย่างนี้แล้ครับมันไปนึกถึงคลิปหลวงปู่เทียนอยู่ในห้องห้องหนึ่งก็ไปค้าหาประตูออกคำํคำๆตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่าหลวงปู่ท่านอธินนบายเรื่องอะไรก็เลยรู้เลยตอนนั้นว่าเราออกมาอยู่กับ ที่กิงเรายกมือนี่ไม่ได้อยู่กับมือแต่อยู่กับเครื่องกระยุดเนี่ยเราเราแค่สร้างให้มันมันเป็นของเล่นให้กับเจ็ตเราให้มาเล่นกับกับมือนะครับทีนี้เป็นผ้าเนี่ยมันยากก็คือว่าควบคุมจิตนะยากพราเราเราเราเป็นคนหนุ่มเจอเจอสิ่งที่ยังยังเชื่นว่าไปบินส บ, บาดอย่างเงี้ยเจอสาวไทยบาดหน่ยก็จิตก็ไปยินดีโดยแล้ว ไปพอใจไปชอบใจเงี้ยแต่ก็ได้อาศัยความหนักเบาให้หลวงพ่อเน้เนเ น, น้ํา้นี่แหละเป็นตัวตัวยึดให้ให้จิตมันกลับมารู้สึกที่ตรงนี้ไม่ให้ไม่ให้เป็นไปความคิดนะครับก็ล่าสุดก็ไปทดสอบมากับการเดินทุดงเมื่อเดือนพุทธกิจกรกรมมาก็ปรากฏว่าก็าได้อาศัยอันเดียวนี่แหละครับถึงถึงได้ไปรอดมันมันก็บอกว่าต้องบอกว่ามัน มันได้ผลดีนะมันเหมือนลงสนามจริงอะครับไปทุ่งเราได้ไปเห็ น, หนต่างๆเห็นผู้คนเห็นเจออารมณ์สารพัดเราเดินมันเหมือนเดินยงกมณนี่แหละแต่ว่ามันเดินยงกมณ์รอบไกลนะครับเดินจากแค่ไปสารคามเลยไปทั้งวันมันก็เดินอย่างเดียวเดินเดินเราก็ขัดเกลอตรงนั้นด้วยดูว่าเวลามันเกิดความอยากในใจเนี่ยแล้วก็เวบวกกับเวทนาที่มันรุมเราเข้าดังนักเนี่ย นามก็เจอทั้งเหนื่อยหิวอีกแถมร้อนอีกตั้งหักแต็มในทะลุอีกเดินก็เท้านี่เป็นแผลเลยเอยก็ไปกับสัมมเณรครับไปเดินด้วยกันมันก็ก็ต้องบอกว่ามันมันมันล้าให้ขาดครับถ้าเป็นผ้าเป็นสัมนาเนี่ยมันมันต้องมีความมีสัจจามีติดขาดมีความหนักแน่นพอเหือนนนะ ถ้าทําไม่ได้มันก็จะกลายสะสมมันมันไม่ได้สาสางว่ะมันก็ยากอยู่ครับผมก็เลยเชื่อว่าถ้าจะบวชได้แบบตลอดทั้งฝังแบบเดขาดเลยมันก็ต้องออกไปสู้ทางโลกดูให้มันทุกทางหนักาก่อนในไหนเราก็มันเลยไปเรียนรู้วิธีจากหลวงพ่อมาแล้วเนี่ยมันมันก็ต้องมันก็ต้องเอาอย่างนั้นเลยครับหลวงพ่อ ก็บางทีคนเรามันมันยังเห็นทุกข์เนของอ เ, เล่นอยู่อย่างนี้นะบางทีนะมันก็มันเห็นแค่หยาบๆมันไม่เห็นละเอียดเหมือนที่หลวงพ่อพูดไม่ผิดนะครับถ้าคนเห็นละเอียดแล้วเขาคงก็เหมือนว่าเขารู้แล้วว่ามันทุกข์เขาจะไปมันทุกข์ทำไมใช่ไหมแต่ผมแต่ว่าโดยพื้นฐานนิสัยตอนมันยมก็ผมผมเชื่อในที่เจกับตัวเห็นกับตาคือพิสูจน์แล้วผมถึงเชื่อครับจะมาพูดเฉยผมผมไม่ออกไม่ฟังทั้งนั้นนะครับ ก็เลยมาเจอโดยเฉพาะมาเจอสายของปู่เทียนนี่ก็นะมันก็เข้ากับผมเลยผมก็มาลองแล้วมันทําแล้วมันถามว่าทุกเนี่ยทุกทางหนามมันก็ทําให้หมดได้นะครับหรือจะทําให้ทุกก็ทําได้เหมือนกันแต่ถ้าว่าทางลูกเนี่ยมันหมดไม่ได้มันเกิดตลอดแต่บางอย่างมันก็บางตู้หวังอย่างทางรูปมันพอทนได้มันก็มีทนไม่ได้มันก็มีแต่ มันก็ถ้ามันหนักพอ ต, น, ตนได้อยู่มันก็ไม่เท่ไม่เข้าถึงกับทําให้จิตทุกไปด้วยนะครับแต่เป็นทุกทางรูปแต่ถ้าทุกทางน้ำเนี่ยมันเราแช่คือ ด, ดูดีแล้วจิตของคนรอมันก็เหมือนมันเด็กใบกาลังสนนะครับเขาคือว่าเหมือนเขาจับอะไรได้เขาก็เล่นอันนั้นสักพักเขาเล่นแล้วเขาก็เบือ่อเขาก็เล่นอันใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่ามันไปเล่นกับโลภโกรธหลงอย่างเงี้ย แต่ถ้ามันเบื่อมเล่นกับความโกรธเบื่อมันก็จะเล่นโลกใหม่เล่นกับความโลภแล้วก็เล่นความหลงแต่ถ้าไม่เบื่อมันก็เล่นตะเลิดปรุงแต่งไปเรื่อยเป็นเรื่องดีมันก็ดีตะเลิดไปเลยเห็นไหมครับแต่ก็ดีหน่อยพอเจอสิ่งที่หลวงพ่อสอนก็สามารถเด้งให้มันมาเล่นกับความรู้สึกตัวได้เรื่อยๆแต่ไม่ถึงกับตลอดเวลาแต่มันก็ยังดีหน่อยนะครับมันก็ทําให้เวลาเรามาปฏิบัติในรูปแบบมันค่อยงที่จะ ทำให้ฝืนความอยากตัวเองได้ในในไม่มากที่สุดแต่ว่ามันก็พอประคองตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะครับก็มีเท่านี้แหละครับก็มี่ทรักเนื้อปุตตุปุตุมาบัญโถพ่อมาเติ้งบอกเออไหนไหนที่ซึงแล้วก็าต้องหาวิชาใช้ตัวหน่อยก็เนื้อการอยู่ขึ้นไปนะอาจารย์เรื่อยไกลในกระจกผมก็เอาไปเรียนดูคือคือเข้ามาได้เนี่ยใจซื่อแต่ว่าสู้ความวิบาก